ครั้งที่แล้วเราเรียนจบไป30ดวงแล้วนะ30ดวงก็คือเรียนจิตไป30ประเภททวนในครั้งหนึ่งจิต30ประเภทที่กล่าวไปคืออากุศลจิต12อาเหตุกะจิตอีก18ก็เป็น30อากุศลจิต12ซึ่งประกอบไปด้วยโลภาพ8เนี่ยนะโทสะสอง โมหะสองโลภะชื่อเต็มเรียกว่าโลภะมูลจิต8โทสะมูลจิตสองโทสะมูลจิตสองส่วนอเหตุกจิตสิก็แบ่งเป็นอกุศลวิบากเนี่ไงอเหตุกะกุศลวิบาก8ปดนี่ไง มีมีศัพท์เพิ่มขึ้นมาก็คืออาเหตุกะอเหตุกะกุศลวิบากที่ต่างจากสเหตุกะเห็นไศัพท์ที่ที่ต่างกันนะคืออักกสะตัวนี้อักคือไม่มีเหตุสะก็คือมีเหตุเนี่ยนะซึ่งที่ใช้คําว่าอาเหตุุกะวิบากเมื่อเปรียบเทียบกับสเหตุกะวิบากเนี่ยนะส่วนอักกุศลวิบากไม่มีตัวเปรียบ เลยไม่จำเป็นต้องใช้คำว่าอาเหตุกะเมื่อใช้อเหตุกะกุศลวิบากเนื่องจากมีสเหตุกะกุศลวิบากเป็นเครื่องเปรียบอีกสามอย่างคืออเหตุกะกิริยานี่นะอเหตุกะกิริยาอีกสามทั้งหมดนี้เป็นอกุศลจิตอขออภัยเป็นอะโสภนจิต แปลว่าจิต ท, ที่ไม่มีโสพนะเจตสิกประกอบนั่นนะแต่จะกล่าวว่าจิตเหล่านี้เป็นจิตไม่ดีไม่ได้เพราะว่าหนึ่งในหนึ่งในอเหตุตกะกิริยาสามีหัสิตุปาทจิตซึ่งเป็นจิตของพระอรหันต์อยู่ด้วยและมหากุศลวิบากก็นับว่าเป็นจิต ท, ที่ดีนี่นะกุศลวิบากถ้านับไปแล้วก็นับว่าดี กิริยานี้ก็สามารถเกิดได้ในจิตทั่วๆไปไม่จำกัดบุคคลเมื่อไม่จำกัดบุคคลเราจะไปบอกว่าเลวไปเลยไม่ได้แต่เนื่องจากไม่มีโสภณะเจตสิกทั้ง25่ประกอบเลยน่นะความเข้าใจในจิตเหล่านี้เนี่ย น, นะจะดีมากขึ้นก็คือโดยการแยกประเภทได้นี่นะแยกว่า ทำไมโลภะจึงเป็น8ปดทำไมโทสะจึงเป็นสองทำไมโมหะจึงเป็นแค่สองทำไมอกุศลวิบากจึงเจ็ดทำไมอเหตุกขวิบากจึงมี8ปดทำไมอเหตุกขากิริยาสมแยกในแง่นี้ให้ได้อย่างหนึ่งเรียกว่าแบ่งประเภทเมื่อแบ่งประเภทได้ก็มาสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือวัตถุคือวัต ถ, ถุที่อาศัยเกิดของจิตเหล่านี้ทวาร เป็นที่อาศัยเกิดของจิตเหล่านี้และอารมณ์ของจิตเหล่านี้กิจของจิตเหล่านี้ถ้าเข้าใจในส่วนนี้ได้เราก็เป็นข้อมูลพื้นฐานในการประกอบพิจารณาในการใคร้ครวนเรื่องจิตเพราะว่าผู้ที่อบรมจิตตานุปัสสนาเนี่ยนะก็พิจารณาสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วสิ่งที่ควรทาสำนวนไทยเรียกว่าการบ้านเนี่ยนะหรือมาฝึกใช้ให้มากอะ ก็คือว่าเห็นแล้วทําไมจิตเหล่านี้มันเกิดได้ยังไงคือถ้าจะประยุกต์ลงมาใช้เลยนะสมมุติว่าฟังหนึ่งฟังเสียงจิตเหล่านี้อะไรสามารถเกิดได้บ้างตั้งคํำถามแบบนี้ขึ้นแล้วก็มาฝึกคิดนดูเช่นฟังเสียงรถเนี่ยโลภะเกิดได้ทั้งแปดไหม โสะเกิดได้สองไหมหนึ่งในสองหรือว่าโมหะเกิดได้ไหมตั้งคำถามแล้วอกุศลวิบากอะไรเกิดได้บ้างแล้วกุศลวิบากอะไรเกิดแล้วอเหตุทุกะกิริยาอะไรเกิดบ้างอันนี้นี่คือโจทย์ที่ควรเอามามาคิดเมื่อมีเสียงเป็นอารมณ์หรือมีกลิ่นมีรสมีโพธภาภะหรือยังไงเป็นอารมณ์ก็ได้แล้วเอาเอาจิตเหล่านี้ส่งสังเคราะห์ลงมาในในชีวิตดูว่ามันมีจิตอะไรเกิดบ้างเนี่ยนะฝึกคิดไอ้ส่วนนี้เอาไว้ให้ดี คุณมู้ชมฝึกได้นะหนึ่งฟังเสียงเนี่ยมีจิตดวงไหนเกิดบ้างเมือม่อเมื่อเมื่อมีเสียงเป็นอารมณ์เสียงก็ต้องแบ่งเสียงเป็นสองประเภทก่อนนะถ้าจะฝึกคิดเสียงที่ดีกับไม่ดีน่นะจิตที่รับเสียงที่ดีและไม่ดีเนี่ยนะตัวนั้นเรียกว่าโสตาวิญญาณถ้าเสียงที่ดีเป็นกลุม่มอาเหตุกะกุศลวิบาก นะโสตวิญญาณเกิดขึ้นถ้าเสียงที่ไม่ดีก็เป็นโสตวิญญาณที่เป็นอกุศลวิบากเห็นไหมแล้วจิตเกิดจิตที่เกิดก่อนหน้านี้เรียกว่าอะไรโสตทวาราวัชนะคือหนึ่งในอหตุกะกิริยาที่เรียกว่าปัญจทวาราวัชนะเกิดก่อนเห็นไหม พอหลังจากนั้นจิตไหนเกิดรับต่อก็สัมปติชนะจิตเนี่ยนะสัมปติชนะจิตนี่ก็แล้วแต่ว่าเกิดต่อจากจิตที่ดีหรือจิตที่ไม่ดีนะถ้าถ้าแบ่งก็เป็นสองแบบนี้เลยอันนี้ก็สัมปติชนะต่อจากสัมปติชนะก็เป็นสันติชนะ อ, อ, อันนี้ต้องต้องยอมรับ ตั้งแต่แรกเลยว่าจิตต้องไม่เกิดพร้อมกันอันนี้นี่ถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานว่าจิตจะรู้ได้ทีละอารมณ์เกิดทีละทวารเท่านั้นอันนั้นนั้ถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานแสดงว่าก่อนหน้านี้ของตา ม, มาพูดไว้ไม่ดีเพราะว่าเป็นปัญหาที่ที่ที่ที่ควรรู้ตั้งแต่แรกแล้วตัวนั้นนะหนึ่งจิตเกิดทีละหนึ่งขณะขนะรับรู้ทีละหนึ่งอารมณ์เกิดทีละทวาร เนี่ยนะจะไม่เกิดแทกกันจะไม่เกิดซ้อนกันเนี่ยนะแต่ซ้ำกันได้แบบเดียวกันได้อันนั้นถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานอย่านนะแต่นี้เราที่ที่กล่าวเนี่ยว่าในเสียงเช่นว่าเสียงรถเนี่ยนะถ้าถ้าฟังบางบางช่วงก็ฟังว่ามันดีใช่ไหมแต่ถ้ามันแรงเกินไปเลยอะ่ะเสียงนั้นกลายเป็นเสียงที่ไม่ดีเนี่ยนะคว่าเสียงที่ไม่ดี หรือเสียงเพลงเนี่ยนะปกติเป็นเสียงดนตรีเนี่ยปกติเพราะใช่แต่ถ้ามันเคาะเกินไปหรือเร่งเปิดบอลลุ่มที่มันแรงเกินไปจนหูแทบเสียเลยนะอันนั้นก็กลายเป็นว่าไม่ไม่ดีแล้วเนี่ยนะไอ้คำว่าดีกับไม่ดีก็ถือว่าคนละขณะกันก็คือคนละอารมณ์เมื่อคนละอารมณ์ก็ถือว่าคนละวิถีคนละวิถีแต่ว่ากลุ่มทวารเดียวกันเนี่ยนะใช้คำว่ากลุ่มนะ เพราะว่าทวารดีกับทวารไม่ดีจะเกิดพร้อมกันไม่ได้สมมติว่ า, ามีคนคนหนึ่งชมเราข้างขวาอีกคนด่าเราข้างซ้ายเราไม่สามารถได้ยินพร้อมกันหรอกเรามนานสิการข้างขวาจะได้ยินขวามนานสิการซ้ายได้ยินซ้ายมนานสิการขวาเมื่อไหรกุศลวิบากเกิดมนานสิการซ้ายอกุศลวิบากเกิดจะเกิดทีละอย่างแล้วก็สลับกันก็ได้หรือบางคนเนี่ยเลือกฟังแต่อย่างเดียวโดยที่ไม่สลับกันมากก็ได้ บางคนก็สลับไปสลับมาอย่างเงี้ย ไ, ไญญ เ, ปเป็นของดีของคนคนหนึ่งต่กับของไม่ดีของคนคนหนึ่งนีเเพราะว่าเรามนุิกามไม่ดีรืออารมณ์ไม่ดีตัวดีกับไม่ดีเนี่ยนะดีมีสองชนิดไม่ดีก็สองชนิดก็แบ่งอีกดีโดยสภาวะอย่างหนึ่งกับปริกับปะ ไนไะก็แบ่งไม่ดีก็สองอย่างโดยสภาวะกับตริกำปะคําว่าโดยสภาวะนี้ดีโดยสภาวะหรือไม่ดีโดยสภาวะเนี่ยคือปกติทั่วๆไปใครก็ยอมรับว่ามันไม่ดีอยู่แล้วอันนี้สมมุติว่าของมันมันมีกลิ่นเหม็ น, นไก่เน่าอย่างเงี้ยปกติใครก็ยอมรับว่ามันไม่ดีแต่บางคนชอบกินไก่เน่าขึ้นมา ไก่เน่าเนี่ยไอคนที่บอกว่าไม่ดีเนี่ยปกติทั่วๆไปไม่ดีอะ่ะปกติถือว่านั้นเป็นอกุศลวิบากถ้าใครได้รับนะแต่คนที่เป็นแม้ได้กลิ่นปั๊บเนี่ยแม่น้ำลายสอเลยชอบมากอร่อยน่าดูเลยนะคิดอย่างนี้เข้าอันนั้นเป็นพวกปริกับปะเนี่ยนะพวกนั้นเป็นปริกัะปะสำน ว, นวนว่าเอาคนโดยทั่วๆไปเป็นเป็นเกณฑ์ในการวัดเปรียบเทียบเฉพาะปัญจารมนะไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่ในแง่ของราคามูลค่าอะไรแต่ว่าในแง่ของปัญจารมว่ า, าไม่เอ า, เอาไม่เอามหาก ร, ร์ที่เคยรับแต่ของชั้นยอดไม่เอายาจกก็เอาคนปานกลางอะนะที่สามารถแบ่งดีแบ่งชั่วรับทั้งดีทั้งชั่วเข้าวัดเนี่ยนะ <c oughs> ก็ดีแบบสภาวะกับปริกับปะไม่ดีแบบสภาวะกับปริกับปะแต่ตรงนี้เน้นตัวที่ตัวสภาวะไปเลยเนี่ยนะตัวสภาวะ แปลว่ามันไม่แน่มันชอบเป็นรายคนเนี่ยนะสมมติว่าไอ้อาหารบางอย่างนะมันจะชัดดีเอาปลาร้ากันแล้วกันปกตินี้ถ้าเป็นอาหารทั่วๆไปนะของหวานเนี่ยสมมติน้ำหวานนะทั่วทั่วไปเขายอมรับว่าดีใช่ไหม น้ำหวานเลยสมมติน้ำส้มคั้นหรือน้ำหวานน้ำอะไรที่มันอร่อยอร่อยน้ำพึ่งหวานเนี่ยใครก็ว่ามันของดีอีกคนหนึ่งบอกว่าไม่ชอบฉันชอบจะกินเนี่ยจะกินปลาร้าเนี่ยอันนี้กลุ่มแบบนี้เขาเรียกว่าพวกปริกัะปะพวกที่ชอบน้ำพึ่งเขาเรียกว่าตามดีโดยสภาวะของมันไอพวกปริกระปะเนี่ยพวกนี้แบบท่านเหนื่อยหน่อยมันดี ทุกทวารเลยนนไไใช่อาหารต้องแบบกินแบบร้อนมากๆจึงจะอร่อยสมมติว่าอย่างสมัยก่อนเขาชอบไอชงนมนมข้นหวานนะบางคนนี่ถ้าเย็นนวทานไม่ได้เลยมันต้องร้อนๆที่คนอื่นทานแล้วลวกปากอะ่ะถ้าคนนั้นเขาแ<ด>หมพอดีเขาอ่ก็วิววถีฐานอนะไรนไม่ไม่ไมค่อยเหมือนกันเ น, นี่ยนะบว่าเป็นศนาหรือัวศรนิ่งบางหมายความว่าต้องถืออสภาวะ ถือเอาสภาวะเป็นเกณฑ์แต่ถ้าโดยปริกัะปะนี้โดยทั่วๆไปก็า ท, ท, ที่ชาววันนะเนี่ยนะชาวว น, นะทีนี้พอโดยทั่วๆไปแล้วอะ่ะเมื่อสันติรณะเกิดจิตที่เกิดต่อคือโวทพณะเนี่ยนะพอโวทพณะเสร็จเนี่ยก็จะต่อด้วยชาววันนะละเนี่ยนะว่าโดยรวมๆทั้งสองอย่างนี้นะีทั้งมาจากกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากก็ตาม ชาวนะที่เกิดเนี่ยสิบสองดวงนี้สามารถเกิดได้หมดเลยเช่นว่าฟังเสียงที่ที่เพาะนี่นะก็ชาวนะก็เกิดรับอารมณ์ต่อในในชาวนะเจ็ดดวงนี่นะที่เกิดทั้งปัญจทวารและต่อจากนั้นก็มโนทวาร ชาวนะทั้งสิบสองดวงนี้เกิดได้หมดเลยสิบสองประเภทนะคืออากุศลจิต12บเกิดถ้ายกโลภ้ามูลจิตแดขึ้นมามามาเปรียบนะว่าฟังเสียงแล้วชอบทีนี้ก็มาแบ่งโดยเวทนาก่อนจะเห็นชัดชอบแบบดีใจหรือว่าเฉยคือเพลงบางเพลงนะสมมติถ้าเป็นเพลงนะฟังปั๊บนี่แหมยิ้มแป้เลยนะ กับอีกบางคนนี่ก็ไม่รําคาญหูพอฟังได้แต่ว่าเฉยๆเนี่ยนะ ก, ก็ฟังได้แต่เฉยๆอีกคนหนึ่งฟังปั๊บโสมมนัดขึ้นมาเลยปลื้มมากะนะมันก็จะแบ่งเป็นสองชนิดแบบนี้อีกคนหนึ่งถ้าเป็นทิฏฐิเข้ามาจะเป็นยังไงบอกว่าการฟังเพลงแบบนี้ไม่มีโทษไม่เป็นกิเลสไม่บาปเนี่ยนะอันนั้น่ะเป็นทิฏฐิเข้ามาละมีทิฏฐิประกอบ ว่าการฟังนั้นเนี่ยไม่มีโทษไม่เป็นบาปอะไรเห็นไหมไม่ให้ผลเป็นทุกข์อะไรตรงนั้นแหละจะขับมีทิฏฐิเข้ามาแต่ถ้าไม่มีทิฏฐิถ้ามีมาน่าละล่ะแมโลกนี้จะมีใครได้ฟังเพลงที่เพราะๆแบบชั้นบ้างนึกว่าเอเอเครื่องเสียงของชั้นสู้คนนั้นไม่ได้คนนั้นฟังดีกว่าเนี่ยนะเครื่องเขาดีกว่าอะไรดีกว่าพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มมาน่ะละ แต่ถ้าบอกว่าการฟังแบบนี้ไม่มีโทษนี่แหละสวรรค์นบนดินชัดๆเลยการฟังเพลงแบบนี้นะพวกกลุ่มที่ธรรมมณิพานวาทะก็จะเข้ามานี่คือเรียกว่าสวรรค์นบนดินหรือว่านิพานบนดินอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะประกอบด้วยทิฏฐิทีนี้ทิฏฐิก็มาแบ่งว่าอสังขาริกหรือสสังขาริกมีกําลังเองหรือว่าคนอื่นชักนำเนี่ยในขณะนั้นๆก็มาแบ่งอย่างไ้ เพราะหรเพราะว่าผู้ที่ประเภทการมัสุ ข, ขลิการนุโยกะนะนพวกกลุ่มที่จะทำมนิพพานนี้ถือว่าการฟังเพลงนีเป็นเป็นนิพพานอย่างหนึ่งคือมันเนี้ยแหละสุดยอดแล้วความสุขมันมีอยู่เท่านี้จริงๆบนดินนี่เหมือนกัน้นะสําหรับคนที่ติดในเสียงอ่ะนะปัญ <c oughs> โสมนัตก็เป็นได้ทั้งสี่ประเภทอย่างที่กล่าวไปอุเบคาก็มีทั้งสประเภท ทีนี้อีกคนหนึ่งฟังแล้วบอกแหมรำคาญหน้าดูนะสมมุติว่าลูกเปิดเพลงพ่อแม่ฟังไง น, นะอะไรจะเกิดขึ้นชักโทสะแล้วนะเบ า, บาๆหน่อยได้ไหมไง น, นะลูกไม่มีความสุขมากพ่อแม่นี่ดันเป็นโทสะเลยอะนี่นโทสะส่วนฟังแล้ววิจิกิจฉาเนี่ยเป็นยังไงจริงหรือจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เรื่องเสียงอย่างแบบนี้นะ ก, ก็สงสัยในพุทธคุณก็ได้ หรือฟังเสียงแบบนี้แล้วเปรียบว่าจะมีหรือเสียงที่เป็นเสียงเหมือนว่าพระพุทธเจ้าเสียงเช่นพรหมเนี่ยนะจมีจริงหรือแล้วมีเสียงที่ประกาศธรรมที่ทำให้พ้นจากทุกเนี่ยมีหรือเมื่อเกิดการไปเปรียบเทียบแล้วนะวิจิกิจฉาก็จะเกิดหรืออุทธจักก็จะเกิดขึ้นนัน่นก็สรุปว่าอักุสลจิตสิบสองก็สามารถมีเสียงเป็นอารมณ์ได้ มีกลิ่นเป็นอารมณ์ก็ได้มีรสมีโพธาผ้มีธรรมะเป็นอารมณ์ก็ได้เพราะในหนึ่งเสียงก็ในการศึกษาเรื่องจิตก็คือหมั่นมาแยกมาแยกแบบนี้นะรับอารมณ์หนึ่งอารมณ์จิตอะไรเกิดบ้างพยายามฝึกคิดแบบนี้มากๆสรุปและทวานหูเนี่ยจิตสามารถเกิดได้เท่าไหร่เห็นไหมอกุศลแลจิตสองอันนี้แ น, น่นอนนะใช่ไหมสามารถเกิดได้ อ, นนอนนาากุศลวิบากได้ นะอกุศลวิบากที่เกิดคือโสตวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะสามารถเกิดได้3ที่เป็นกุศลวิบากนะเสียงเหมือนกันนะโสตวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะที่เป็นกุโสมนัสและอุเบขาส่ดวงปัญจทวาราวชนะมโนทวาราวชนะถ้าเป็นของผ้าหันก็สามารถเกิดได้ก็สมดวง เท่าไร10 22 น, นในหนึ่งเสียงเนี่ยอโศภนจิตสา ม, มารถเกิดได้22ดวงเนี่ยนะ22ดวงทีนี้ของเราเนี่ยก็มาฝึกดูว่าแต่ละครั้งเนี่ยเสียงอันนี้จิตไหนเกิดบ้างก็มาฝึกเจริญแบบนี้ที่เรียกว่าเป็นเบื้องต้นของการเจริญจิตตานุปัสสนาเนี่ยนะเบื้องต้นของการเจริญจิตตานุปัสสนา พอเจริญอย่างนี้ได้ก็มาแยกแยะแบบพระสูตรก็ได้เออจิตตอนนี้มีราคะจิตอันนี้ปราศจากราคะจิตนี้มีโทสะจิตนี้ปราศจากโทสะจิตนี้มีโมหะจิตนี้ปราศจากโมหะหรือว่าตอนนี้กําลังถีนมิท่เนี่ยนะคิดว่าหดหัวนะคือถีนมิทะหรืออุทธจักก็มาแยกในส่วนนี้ก็ฝึกอันนี้ถือว่าเป็นฐานของการเจริญพื้นฐานนะของการเจริญจิตตาโนปัสสนาแล้วสําคัญมาก สัตว์ทั้งหลายที่อัดกอนิจจาวิปลาดโดยมากจะยึดว่าจิตนี้เป็นของเที่ยงเนี่ยนะอย่างอื่นนี่ไม่เที่ยงแต่จิตเนี่ยมันเที่ยงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการแยกแยะแบบนี้เขาก็จะเห็นถึงความไม่เป็นสาระของจิตเนี่ยนะก็เห็นว่าวิญญาณขันเหมือนอะไรเหมือนมายากลก็ได้ซึ่งมันเหมือนมายาเท่านั้นเองหลอกโสตทวารที่มันเกิดขึ้น